ผูทวาสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะต้อนรับท่านสู่บรรยากาศของการจะได้ทั้งปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมจากรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะคะเตรียมตัวไว้เลยตอนต้นรายการก่อนจะเข้าไปฟังการสนทนาธรรมกับรพระอาจารย์ไพบุญอภิปุญโนนั้นก็จะเป็นส่วนของการที่ให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างกุศล ซึ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งและเห็นผลในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือได้ทำสมาธิก่อนที่จะไปฟังกระสุน ต, ต่างๆต่อไปในการตอบคำถามค่ะดิฉันสัมสีนาพงศเป็ น, นผู้ดำเนินรายการก็จะทำสมาธิไปพร้อมๆกับท่านเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ท่านเพบูพู์ได้บอกว่าจะพูดถึงเรื่องอนุตริยะ6แม้ฟังชื่อแล้วไระเพราะพริ้งมาก แล้วก็รู้สึกยากมากด้วยส่วนจะยากหรือไม่เดี๋ยวไปพบกับพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบธรรมสการกันทั้งคะเจริญพรค่ะแต่ว่าดึงด้วยเรื่องของอนุตตรยะนะซึ่งภาษาไทยก็แปลว่าภาวะอันยอดเยี่ยมในะยอดเยี่ยมอย่างไรแนะต่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายแลนะก็มีบันทึกเอาไวา้แนตะ่พูดถึงเรื่องอนุตริยะหกไ้ยอย่างนี้บอกว่าพิสูจ์ทั้งหลายอนุตตริยะคือภาวะอันยอดเยี่ยม มีอยู่หกอย่างคือ 1. การเห็นอันยอดเยี่ยมหรือทัศนานุตรรยะ 2. การฟังอันยอดเยี่ยมหรือสัวนานุตรรยะ 3. การได้อันยอดเยี่ยมหรือลาพานุตตริยะ 4. การศึกษาอันยอดเยี่ยมหรือศิกขานุตตรรยะ 5. การบํารุงอันยอดเยี่ยมหรือปาริจริยานุตตริยะและ 6. การระลึกอันยอดเยี่ยมคืออนุสตานุตรนนตริยะก็ทัศนานุตตริยะคือการเห็นอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปเพื่อที่จะเห็นช้างแก้บ้างเห็นมาแก้บ้าง ไปเพื่อที่จะได้ดูมณีแก้บ้างเพื่อเห็นของสูงของต่ำบ้างหรือเพื่อไปที่จะเห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ปฏิบัติผิดผู้เห็นผิดบ้างการเห็นอย่างนี้มีอยู่เรากล่าวว่าไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าการเห็นชนิดนั้นยังเป็นการเห็นที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของอันประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานแต่บุคคลใดที่มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตหรือในสาวกของตถาคตเธอทั้งหลายที่เห็น บุคคลเหล่านี้นั้นเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายเพราะว่าเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรลารพันธ์เพื่อทำนิพพานให้แจ้งการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งไปเพื่อที่จะเห็นตาคต หรือสาวกของพระตถาคตนี่แหละเรียกว่าการเห็นอันยอดเยี่ยมอาจนานนี่คือลักษณะตัวอย่างข้อที่หนึ่ง น, นที่ยกมาให้ท่านผูฟ้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องภาวะอัญยอดเยี่ยมค่ะสาธุค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะท่านฟังบางท่านอาจจะบอกเอาแล้วปฏิบัติธรรมตอนไหนก็ให้ท่านปฏิบัติธรรมไปรพร้อมๆกับพระสูตรที่ท่านสุบุญอ่านถูกไ้มคะใช่ใช่ใช แล้วปฏิบัติอย่างไรนะคะเผื่อเป็นผู้ใหม่ค่ะนะค ะ, ะก็จะต้องเท้าความนิดนึงคือการฟังพระสูตรเนี่ยหรือการฟังธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเราจะฟังให้ได้เข้าใจเราจะต้องทำจิตให้มีสมาธิเพราะนั้นเอ๊เราจะทำจิตให้มีสมาธิได้อย่างไร น, นี้ต้องเป็นเท้าความไปก่อนอการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือเป็นที่ตั้งให้จิตมาตั้งอยู่นะซึ่งเครื่องมือที่เราใช้ ในะที่พระเจ้าแนะนําก็มีหลายอย่าง nào, อย่างหนึ่งที่จะมาใช้เป็นประจำนั่นะคือลมหายใจแตนะ่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะให้จิตเนี่ยมีที่ตั้งแล้วจิตมันก็จะสงบจิตก็จะเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์อันเดียวนต่จิตที่เป็นหะนึ่งเป็นอารมณ์อันเดียวฟังธรรมะหรือว่าคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอยู่ในที่ประชุมฟังที่ประชุมอยู่ในห้องสอบทําข้อสอบอยู่ในห้องเรียนเรียนหนังสือไอ้ใจที่เป็นหนึ่งอย่างเนี้ยจะทําให้กิจการงานที่เราทําอยู่ตรงนั้นเนี่ย มันแจมแจ้งขึ้นมาตรงนี้ค่ะนะคะทีนี้ท่านก็ยกตัวอย่างเพียงแค่อนุตริยะในเรื่องเกี่ยวกับการเห็นอันยอดเยี่ยมใชจากบรรดา6กภาวะอันยอดเยี่ยมซึ่งจะมีฟังได้ศึกษาบำรุงและระลึกอีก5อย่างนะคะทีนี้ในรายละเอียดต่างๆของทั้งฟังทั้งได้ทั้งศึกษาทั้งบำรุงและระลึกอันยอดเยี่ยมนั้นเนี่ย เป็นลักษณะคล้ายๆกับเรื่องเห็นหรืออย่างไรคะใช่ใช่ใชสมมติเราไปเที่ยวสักที่ใดที่หนึ่งเช่นโอ้ที่เนี่ยดีมากเลยประเทศนั้นหรืออําเภอนี้อากาศดีมีสิ่งที่น่ายั่วยวนตา ย, ยุ ย, ยวนใจดูกายกรรมดูอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะบางคนก็จะไปเห็นในลักษณะนั้ น, น, นซึ่งการเห็นอย่างนั้นมีอยู่แน่นอน เ, ออเราไปต่างประเทศดูที่นั่นที่นี่ดูกายกรรมอะไรต่างๆมีอยู่ แต่ว่าอันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความไหนทุกความคไกําหนัดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมละลิผานนะนั้นก็จะยังไม่ใช่การเห็นอันยอดเยี่ยมนะแต่การเห็นที่ยอดเยี่ยมเป็นยังไงก็คือต้องเห็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเห็นสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเห็นอย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมรายละเอียดตรงเนี้ยเป็นที่น่าสนใจมากคุณยมติวที่ว่าถ้าเราจะได้เห็นหรือได้ฟัง หรือได้ของสิ่งใดหรือศึกษาอะไรก็ตามนะหรือว่าจ่ายเงินเพื่อจะซื้ออะไรหรือให้ใครนะหรือว่าจะระลึกถึงใครถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความคลากําหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อ น, นิพพานแล้วเนี่ยการทําอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ถือว่ายอดเยี่ยมโอเคและนี้คือเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างที่1นึ่ะอันนี้คือสําหรับที่ไม่ยอดเยี่ยมล่ะนะบางคนก็จะพูดถึงสายวิชาชีพประเภทนี้โหคุณเรียนได้เก่งจังเลย นะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อความไหนทุกถือว่ายังไม่เยี่ยมนะถือว่ายังไม่เยี่ยม <Okay. S 1> อ่าแล้วอะไรที่เยี่ยมที่ดีค่ะ <Okay. S 1> นะก็ต้องสิ่งไหนละ่ะที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดนะเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศและความรำไรําพันเพื่อทํานิพพานให้แจง้งนะเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อความไหนทุก์เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเกณฑ์ในการวัดตรงนี้นั่นถือว่าคุณได้สิ่งนั้นเนี่ย เพื่อจะเป็นไปเพื่อสิ่งนี้เนี่ยการได้สิ่งนั้นเนี่ยเยี่ยมการได้เห็นบุคคลที่จะเป็นัยเพื่อการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเพื่อที่จะก้าวล่วงซึ่งความโศกความรํายลำพันเพื่อที่จะดับทุกได้การได้ตรงนั้นการเห็นตรงนั้นการเรียนสิ่งนั้นการศึกษาแบบนั้นถือว่าเยี่ยมถือว่าดีอันนี้คือความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็คงจะมีการเห็นการฟังการไดมาการศึกษาการบารุง การระลึกถึงสิ่งต่างๆกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในชีวิตประจําวันของเราใช่บางทีเราก็อาจจะเข้าใจไปว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเริ่ดมากแล้วอเช่นเราได้เนี่ยโอ้โหได้เงินใช่ไหมคะใช่ซื้อทองเนี่ยอยู่ดีๆก็ขึ้นพรวดพราดพรวดพราดเราก็มีความรู้สึกโอะมันช่างเป็นรายได้ที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้อแต่อันนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อการหน่ายทุกข์เพื่อการคลายกําหนัดหนักเข้าไปใหญ่คือเพื่อกิเลสนะคะใช่ แต่จริงๆดิฉันก็ชอบนะคะกิเลสแบบนี้นค่ะ อ, อันน้นก็อันนั้นก็กจะไม่บริสุทธิ์คือคือดีอยู่แต่ไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่ค่ ะ, ะคือเหมือนกับว่ า, าถ้าท่านมีความเข้าใจในความจริงถูกไหมคะใช่ว่าสุขแบบไหนมันเป็นสุขแบบสุกเอาเผากินวบๆแว๊บๆแบบแบบไม่ใช่สุขที่ยั่งยืนก็ขอให้ทําความเข้าใจใหม่ว่ามีการได้ การฟังการศึกษาการบำรุงการระลึกที่ดีกว่านี้ที่จะต้องเป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำเนัดถูกต้องประเด็นที่ที่ต้องเพิ่มเติมให้คือคนที่เขาจะไปศึกษาเรื่องอรายก็แต่กแต่จะได้สิ่งใดมาจะไปเห็นสิ่งใดเนี่ยเหตุมันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นมีคนชวนเราก็ไปเออเราดูหนังสือพิมพ์เออมันดีเราก็ไปศึกษาใช่ไหมเขาประกาศรับสมัครอันนี้เออเราก็ทำนะเขาขอบริยาคันนั้นเราก็ให้อย่างเงี้ย ซึ่งเหตุมันมีมากมายหลายอย่างนะสำหรับการที่จะจะเห็นหรือได้หรือสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้เป็นของเลิศเท่าไหร่แต่สําหรับการที่เราจะได้มาซึ่งสิ่งที่เลิศสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะการที่เราจะได้ไปศึกษาสิ่งที่เลิศสิ่งที่ยอดเยี่ยมการที่เราจะได้เห็นการที่เราจะได้บํารุงหรือลึกถึงเนี่ยสิ่งที่เลิศสิ่งที่ยอดเยี่ยมมีเหตุมาจากอย่างเดียวกันนะทั้ง6อย่างที่ว่ายอดเยี่ยมเลยภาวะอันยอดเยี่ยมหกอย่างเนี่ย การที่คุณจะได้มาซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมีเหตุมาจากอย่างเดียวกันนั่นคืออะไรพนะระพุทธเจ้ากำหนดบทเพียรชนะไปตรงนี้น่าสนใจมากพนะระองค์บอกว่าบุคคลใดนะที่มีศรัธทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัธทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งสัง แ, แก่นี้นะฟังอีกครั้งนะมีศรัธทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัธทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งแล้วยังไงต่อแล้วคุณได้ไปเห็นพระพุทธเจ้านี่คือก็จะเป็น ทัศนานุตรยะแล้วคุณได้ไปอะไรอาศัยเหตุเสียอย่างนี้คุณได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั่นคือการได้ฟังอันยอดเยี่ยมและอาศัยความศรัทธาความรักความเลื่อมใสและทําให้คุณได้มีศรัทธาเกิดขึ้นได้ซึ่งนิพพานอย่างนี้นั่นเป็นการได้อันยอดเยี่ยมรวมถึงการศึกษาการบริจาคแล้วก็การระลึกถึงด้วยในชีวิตที่ได้กราบเรียนท่านไปว่าเราก็ จะพบคนหลายประเภทบางคนก็บอกว่าโอ้ชีวิตไม่ต้องเอาอะไรยอดเยี่ยมอะเอาขอให้มันพอดีพอดีแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบ perfectionist ถ้าเป็นไปได้อะไรที่ว่าดีที่สุดในโลกใบนี้แล้วมีกำลังหรือจะพยายามสร้างกำลังไปหาให้ได้เช่นขับรถก็ต้องขับรถแบบดีที่สุดนะค ะ, ะถือกระเป๋าเนี่ยบางคนถือกระเป๋าใบเป็นล้านนะคะ มีด้วยแล้วลงทุนดีมีคะ่ะท่านคะถือกระเป๋าใบเป็นล้านแต่ฉันไม่น่าใจว่าข้างในกระเป๋านะ่าจะมีตังค์เท่าไหร่นะฮะยิ่าใบเป็นแสนนี่ก็อย่างมากนะฮะโ อ, อ้ใบเป็นล้านก็มีนะท่านคะ่ะอันนี้โยมอาจจะพูดในราคากลางๆแล้วนะคะมีมีคนถือคะ่ะโดยเฉพาะคนไทยก็ <c oughs> นิยมมากคนญี่ปุ่นก็นิยมมากนะ <c oughs> คะ <c oughs> ทีนี้กําลังจะบอกว่าเวลาไปถึงที่สุดเนะ่ยอย่างกับเพื่อนนีงก็จะบอกว่าเมื่อก่อนนะตอนเราไม่มีตังค์นะ เราก็ฟังวิธยุทุกถูกเราก็รู้สึกโอ้โหดีละอพอมีตังขึ้นมาหน่อยนึงเราก็พัฒนาซื้อขึ้นมาเรื่อยแม้ต้องเป็น AMFM มีเครื่องเล่นเทปด้วยสมัยก่อนนะคะเพราะหนักๆเข้าทํางานได้มากมิฉะนันต้องฟังสเตอริโออคือมันความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นเถอไอที่ว่าที่สุดวันนั้นก็คือยังไม่พอสําหรับวันนี้อันนี้เรื่องเดียวกันเลยใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่ความสุดอย่างยิ่งใช่เพราะอะไรเพราะมันยังไม่เป็นไปเพื่อความระงับไง การได้มาซึ่งสิ่งนั้นยังไม่ระงับอะไรไม่ระงับกิเลสมันยังไม่ระงับตัณหามันยังไม่ระงับแตถ้าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วกิเลสตัณหาเราไม่ได้ระงับการได้อันนั้นไม่เยี่ยมนะไม่ยอดไม่ดีค่ะก็ดูเหมือนกับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รู้จักทำนิยามมันจะเป็นไปในทํานองที่ว่าได้มาแล้วดีทั้งนั้นนะคะท่านคะถ้าเราคือเทิ้งกําลังจะบอกว่า ถ้าเราคิดต่อไปซึ่งอยากจะชวนท่านผู้ฟังลองช่วยกันคิดด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยคิดอะที่เราจะระ ง, งับแล้วมีความสุขคือเราไม่เชื่อด้วยซ้ําแต่เราเชื่อว่ามันได้มาแล้วถึงจะดีอ่าคือคือครูช่าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าได้แล้วไม่ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าได้อะไรและไอ้ที่ได้อะไรเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งของนะหรือว่าอคุณธรรมใดใดแต่ว่าได้แล้วในใจของเราเป็นยังไงนะี่คือคือวัดที่ใจตรงนี้ใจิตใจของเรา มันระ ง, งับลงไหมระ ง, งับนี่ก็ไม่ใช่ว่าความอะไรต่างๆระ ง, งับกูสอธรรมนะรังงบแต่ไอ้เจ้าตัญหาเนี่ยมันระ ง, งับลงไหมมันอิ่มได้ไหมนี่คือประเด็นนิดเมื่อสักครู่เราจะพูดกันหนักไปทางเรื่องของการเห็นของการได้อ่าของการบำรุงเนี่ยเดิ๋ฉันอยากฟังชัดๆอีกทีได้ไหมคะว่าการบำรุงอันยอดเยี่ยมจนในที่นี้หมายถึงอย่างไรคะอาจารย์การบำรุงเนี่ยอย่างเช่นว่าเราบริจาคเงินให้พระกันเมือง หรือว่าบริจาคเงินให้มูลินทีดมูลนะินทีหนึ่งการบริจาคตรงนั้นนะผิดไหมไม่ผิดนะได้ไหมดีเพราะว่าเป็นการให้ทานการให้ทานมีผลเป็นสมาธิติแน่นอนแต่ถามว่ามันยอดเยี่ยมหรื อ, อยังนะก็ต้องพูดถึงว่ามีการให้ทานมีผลเนี่ยเป็นความเชื่อที่เป็นยังเป็นเกี่ยวกัเรื่องด้วยโลกอยู่ยังเป็นโล ก, กุตระอยู่นะขอภปยังเป็นโลกียะอยูนะ่ซึ่งมันจะมีที่เหนือขึ้นไปผูนะ้ชาย ก, ก็จึงพูดถึงอนุตรยะ ต, ตรงนี้ นะคือการให้การบํารุงที่ที่ดีขึ้นก็เรียกว่ายอดเยี่ยมมากกว่านั่นนะคือการบํารุงพระพุทธเจ้าหรือการบํารุงเลี้ยงสาบกของพุทธเจ้าโดยการที่ให้ปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะเจริโภคอย่างนีนะ้เพราะว่าการให้ตรงนั้นเป็นไปเพื่ออะไรนะเป็นไปเพื่อที่เราจะจะได้ฟังธรรมแล้วก็เป็นนาบุญด้วยตรงนั้นค่ะคำว่านาบุญหมายความว่า นาเป็นที่ปลูกข้าวถ้าเป็นนาบุญจะแปลว่าอะไรคือบุญข้าวใส่ลงไปในเม็ดหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นนาดีมันก็จะแตกออกมาเป็น20่สิบกอแต่ละกอก็จะเป็นรวงเยอะแต่ละรวงก็จะมีเมล็ดมากแต่ละเมล็ดก็เมล็ดใหญ่นะนี่คือนาดีมจะเป็นอย่างนี้นะคุณใส่แกะมาจากกี่เมล็ดแค่ข้าวเมล็ดเดียวเช่นเดียวกันนะคุณให้ทานไปนะให้ทานไปบํารุงเลี้ยงไปด้วยข้าวกี่ทะพีหน่งตะพีเท่านั้นเองนะแต่ถ้าลงไปในนาบุญนะนาบุญเช่น ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายสิ่งที่จะได้ตอบแทนมานนั้ก็จะเป็นบุญที่มากมากชนิดที่เรียกว่าโอนนับไม่ได้อย่างน้ําทะเลในมหาสมุทรเนี่ยจะนับว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ย ม, มันได้ยากมาเพราะว่าความที่มันมากจริงๆอันนี้ ค, คือพุทเจ้ายกตัวอย่างอุปามาอุปไมยเหมือนกับนาบุญนะก็คือในทางคําสอนพุทเจ้าเป็นอย่างนี้ค่ ะ, ะเท่ากับว่าถ้าเราประสงค์ที่จะทําให้การบํารุง ใครก็แล้วแต่เนี่ยเป็นไปเพื่ออภาวะอันยอดเยี่ยมภาวะแห่งการบั่มุงอันยอดเยี่ยมก็ต้องเลือกว่าจะบั่มุงใครอย่างไรถูกต่างนะคะคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่างั้นเราก็เขี่ยมาไว้งกมาไว้ไม่ให้ไม่ให้ทุกคนเลยให้เฉพาะคนนี้คนนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยอันนั้นก็ก็ถือว่าเราก็ยังมีความตารันหนีอยู่นะค่ะ ซ, ซึ่งต้องรู้จักพิจารณาให้เหมาะสมนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ในเรื่องอนุตริยะ6กนะคือภาวะอยอดเยี่ยม6อย่างนี่ที่เรามาต้องการพูดถึงคือเรื่องของการศึกษาอยอดเยี่ยม <Okay. S 1> นะคือบางคนคิดว่าการศึกษาศิลปะเกี่ยวกับในพุทธพุทธพจน์ตรงนี้ก็คือพูดถึงวิชาการรบนะการบังคับช้างการบังคับมา้าการใช้ดาบเอาถ้าเราปรัปรบมาเป็นสมัยปัจจุบันเช่นคุณเรียนวิศวะคุณเรียนหมอคุณจบปริญญาโทคุณจบดอกเตอร์สามใบสีใบคิดว่าชั้นดีละ แม่เยี่ยมละพอละสบายละแต่แต่ว่านั่นเป็นไปเพื่อความหน่ายทุกไหมนี่ถ้ายังไม่ใช่แสดงว่าอันนั้นยังไม่เยี่ยมยังไม่ยอดนะแต่อะไรที่ยอดที่เยี่ยมนะนั่นคือการศึกษาเรื่องศีลอันยิ่งนะสมาธิที่ยิ่งขึ้นไปปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปน ะ, ะเพราะว่านั่นจะเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความรู้ยิ่งรู้พร้อมละดิพานจึงเรียกว่าการศึกษาเนี่ยยอดเยี่ยมค่ ะ, นะะก็สังเกตผู้ที่มีความรู้ จำนวนมากเหมือนกันนะคะเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตหลังจากที่ตามโลกเนี่ย <_ d: S 2> เขาก็บอกว่าถึงปริญญาเอกเนี่ก็เป็นที่สุดของระดับของการศึกษาที่สูงสุดแล้ว อ, อบางคนก็จะคิดว่าเพียงพอแต่ก็เห็นมีจํานวนมากทีเดียวนะคะที่สุดท้ายก็ต้องมาศึกษาอย่างที่ท่านว่าเนี่ยอาธิศีอาทิจิตนันคงจะเป็นเพราะว่า เขาแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่คิดว่าดีอยู่แล้วอืหรือเปล่าคะ่ะแล้วก็การศึกษาอันนี้อาจมาไม่ได้หมายความว่างั้นคุณไม่ต้องไปเรียนพวกนั้นก็ไม่ต้องไปเรียนป .6 มอ .1 อะไรต่างๆไม่ต้องเรียนอันนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าถ้าสมมติคุณจะไปศึกษาศิละปะวิทยาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์วิชาอะไรก็ตามเรียนต่อเมืองนอกอนานไม่มีปัญหาแต่ถ้าเผื่อว่าเรารู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาไปด้วยเพราะมันทําคู่กันไปได้ <น>การเรียนรู้ตรงนั้นของเราก็จะทําให้เราไม่ยึดถือคือวิชาชีพบางอย่างเนี่ยเรียนไปตัวคนเรียนยิ่งมีอีโก้มากขึ้นไปอีกใช่ไหมยิ่งมีการติดยึดจับยึดมากขึ้นไปอีกมันก็ไม่ดีอ่ะค่ะค่ะแต่ฉันเข้าใจว่าท่านฟังทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่วันนี้ถ้าฟังชื่อหัวข้ออาจจะรู้สึกว่ายากไปสักนิดหนึ่งอนุตริยะ6แต่ก็แปลมาแล้วเป็นภาวะอันยอดเยี่ยมเอายากก็น่าสนใจนะเพราะว่าจะนําไปสู่ความยอดเยี่ยม ที่พระศาสดาย่อมเป็นครูผู้สอนที่เลื่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยได้บอกเอาไว้นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราประสบอยู่ในทุกๆวันก็คือเรื่องของการเห็นการฟังการได้การศึกษาการบำรุงการระลึกหมายความว่านอกเหนือจากที่ท่านเห็นท่านฟังท่านได้ท่านศึกษาท่านบำรุงและท่านระลึกซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ดีอยู่แล้วถ้าท่านทําได้ดีนะคะเพียงแต่ว่า จะเยี่ยมมากขึ้นถ้าหากว่ามีความรู้พระพุทธเจ้าเอาไปทําให้ถูกต้องท่านช่วยบอกอีกทีได้ไหมคะว่าทําอย่างไรในทุกๆอยานน่างถึงจะได้ยอดเยี่ยมเป็นการสรุปก่อนจะจบรายการค่ะเริ่มจากเริ่มจากการที่เราเนี่ยให้มีศรัทธาในศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าะมีความเลื่อมใสนในความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่างที่3ก็คือมีความรักในพระพุทธเจ้า กนะารที่ใครคนใดกนหนึ่งมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งนะอาศัยตรงนี้เป็นเหตุแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้านะหรือเห็นสาวกของพระพุทธเจ้าการที่เห็นตรงนี้นะก็คือเป็นทัศนานุติระยะเกิดการเห็นอันยอดเยี่ยมนะอาศัยความศรัทธาอาศัยความเลื่อมใสแล้วได้ไปฟังธรรมะนะที่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงการที่เราได้ไปฟังตรงนี้ เป็นการได้ฝั่งอันยอดเยี่ยมแตนะอย่างที่3กนะ็คือการที่ถ้าเราอาศัยความเลื่อมใสความศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็ได้ศึกษานะศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นก็จะเป็นการศึกขาในกะิจการศึกษาอันยอดเยี่ยมแต่อย่างที่4นีะ่ถ้าเราอาศัยความศรัทธาความเลื่อมใสแล้วได้ไปเพื่อที่จะทําให้มรรคผลนิพพานให้แจ้งได้นะการที่ได้มรรคผลนิพพานตรงนั้นมาเนี่ย นั่นคือการได้อันยอดเยี่ยมและอย่างที่ 5. นั่นคือการบำรุงเลี้ยงในาการที่เราจะให้บริจาคที่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเอาศัยศรัทธาอาศัยความรักอาศัยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ทานในเนื้อนาบุญนั่นคือในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นจะเป็นการให้อันยอดเยี่ยมและสุดท้ายคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือการระลึกถึงคุณธรรมการระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นั่นก็จะเป็นอนุสตานุตริยคือการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะทีนี้ในการที่จะทําในสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการเห็นการได้ในชีวิตประจําวันของเราซึ่งมันก็ไม่ได้มีเวลาอะไรกันมากมายนะักเนี่ยนะคะเป็นไปได้ไหมคะท่านที่จะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือเห็นอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละแล้วก็ได้ภาวะอันยอดเยี่ยมไปด้วยเลย เออถูกต้องทำได้เพราะว่าอย่างเรื่องศีลสมาธิปัญญาในที่เราศึกษาเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเราเข้าใจถูกเราก็จะได้มากผลนิพพานมันก็จะทำให้เป็นเพื่อการได้อันยอดเยี่ยมด้วยการศึกษายอดเยี่ยมด้วยเท่ากับว่าในการเห็นในการได้ยินพวกนี้เนี่ยเอาเรื่องของศีลเข้าไปจับเลยในการใช้ชีวิตประจำวันได้นะะแน่นอน ก็เท e <uk> ่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวอืแล้วก็การที่เราจะาระลึกถึงอย่างสมมุติเราคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงมาดาปิดายอย่างเงี้ย <c oughs> เ, เราก็ระลึกถึงการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบของท่านตรงนั้นหนะการระถึกถึงส่วนที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนั่นคือระลึกถึงพระสงค์เหมือนกันอันนี้ก็ชื่อว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเหมือนกันอืะคะ วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องอนุตตรอนุตติยาใช่อนุตติยะ6ภาวะอันยอดเยี่ยมในขณะที่เราสนทนากันนีท่านไผบูรณ์อยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะ <laughs> เราบ <laughs> ันทึกเทปล่วงหน้าเพราะว่าถ้าอาจารย์จะนำคณะร้อยกว่าชีวิตไปปฏิบัติธรรมเทีเ่ตำแหน่งตามโลเคชันะที่บุรุชาได้ เคยแสดงทำหมดนั้นหมดนี้ไว้นำไปถึงตำแหน่งนั้นเราก็จะได้พูดถึงประสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ที่นั่นด้วยค่ะเข้าใจว่าหลังจากที่ท่านได้กลับมาแล้วน่าจะมีประสบการณ์ที่ได้ไปพบมาจากที่นั่นนําเอามาเล่าให้กับพวกเรา ใ, ในรายการสัมมนาสนทนานฟังนะคะยินดียินดี <laughs> นั่นเองก็จินตนาการตามเพราะาไปมาหลายครั้งได้ทราบว่าการเดินทางครั้งเนี้ย จะไม่เหมือนกับที่ใครๆเข้าไปกันคือจะมีความเป็นยิ่งทางด้านของการได้เตรียมพระสูตร ถ, ถึง200กว่าพระสูตรไปสาธยายใช่ไหมคะใช่ก็แน่นอนตรงที่ไปเนี่ยจะได้เป็นสวนานนุตริยาด้วยสวาะนแต่คุยด้วยะคะสวนานเนี่ยสวาหมายถึงการได้ฟังอ๋อการได้ฟังการได้ฟังอันยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวค่อยมากราบเรียนถามท่านต่อกันแล้วกันนะคะวันนี้ในะมสการของพระคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับเรื่องอนุตริยะ6คะ่ะกลางมหกา ร, การคะ่ะ ส่วนังที่ครูครับธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยจะเกิดประโยชน์เมื่อท่านได้น้อมนำเอาไปปฏิบตัติเหมือนกับว่าเอาไปประยุกต์กับสิ่งที่เราดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงจังหวะของการดําเนินชีวิตของเรานะคะแล้วก็ถ้าเราทําให้เป็นเนื้อเดียวกันจะเกิดประโยชน์ไม่ต้องหาจังหวะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราถึงจะไปแสวงบุญอินเดียได้นะเมื่อไหร่เราถึงจะไปปฏิบัติธรรมได้นะ วัดป่าดอนไฮโซก็ไกลเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้ามาปฏิบัติธรรมพร้อมๆกับเรากันในรายการตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะจับจ้องให้ดีเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าในทางพระพุทธศาสนาเราก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นกุศลที่เห็นได้ในปัจจุบันแล้วบางคนก็จะบอกว่ายากก็เป็นการทําความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติเหมือนกับทําทุกอย่างแหละนะคะถ้าทําบ่อย ฝึกกันต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดความชำนาญเกิดความคล่องตัวมีผลงอกงานได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ดิฉันสรรสนีนาพงศนะ์และรายการนี้รายการสรรสนีสนทนาสถานีวิทยุเที่ยวอากาศคือ f m รค่ะวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้พูท้ทวีสวัสดีค่ะ